พุทธธรรมฉบับปรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่13บุพภาคของการศึกษาหมวดที่สองโยนิโสมนสิการความนำฐานะของความคิดในระบบการดำเนินชีวิตที่ดีคนเรานี้จะมีความสุขอย่างแท้จริงก็ต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง คือจะต้องปฏิบัติถูกต้องต่อชีวิตของตนเองและต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมทางธรรมชาติและทางวัตถุโดยทั่วไปรวมทั้งเทคโนโลยีคนที่รู้จักดําเนินชีวิตได้ถูกต้องย่อมมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขที่แท้จริงซึ่งหมายถึงการมีความสุขที่เอื้อต่อ ก, การเกิดมีความสุขของผู้อื่นด้วยอย่างไรก็ตาม การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องหรือการปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายอย่างที่กล่าวมานี้เป็นการพูดแบบรวมความซึ่งถ้าจะมองให้เห็นชัดเจนจะต้องแบ่งซอยออกไปเป็นการปฏิบัติถูกต้องในกิจกรรมส่วนย่อยต่างๆของการดาเนินชีวิตนั้นมากมายหลายแง่หลายด้านดังนั้นเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้จึงควรกล่าวถึงการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านทั้งหลาย ซึ่งเป็นส่วนย่อยที่ประกอบกันขึ้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นหรือกระจายความหมายของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นออกไปให้เห็นการปฏิบัติถูกต้องแต่ละแง่แต่ละด้านที่เป็นส่วนย่อยของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นการดำเนินชีวิตนั้นมองในแง่หนึ่งก็คือการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดหรือการนาชีวิต ไปให้ล่วงพ้นสิ่งบีบคั้นติดขัดครับข้องเพื่อให้เป็นอยู่ได้ด้วยดีการดำเนินชีวิตที่มองในแง่นี้พูดอย่างสั้นๆก็คือการแก้ปัญหาหรือการดับทุกข์ผู้ที่แก้ปัญหาได้ถูกต้องล่วงพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีก็ย่อมเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเป็นอยู่อย่างไร้ทุกข์โดยในยะนี้ การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักแก้ปัญหาหรือเรียกง่ายๆว่าแก้ปัญหาเป็นมองอีกแง่หนึ่งการดําเนินชีวิตของคนเราก็คือการประกอบกิจกรรมหรือทําการต่างๆโดยเคลื่อนไหวแสดงออกเป็นพฤติกรรมทางกายบ้างทางวาจาบ้างทําไม่แสดงออกมาภายนอกก็ทําอยู่ภายใน เป็นพฤติกรรมของจิตใจพูดรวมง่ายๆว่าทำพูดคิดหรือใช้คำศัพท์ว่ากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีชื่อรวมเรียกว่ากรรมทางไตรทวารในแง่นี้การดำเนินชีวิตก็คือการทำกรรมทั้งสามประการผู้ที่ทมกรรมสามอย่างนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็ย่อมดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีดังนั้นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักทำรู้จักพูดรู้จักคิดเปรียกง่ายว่าคิดเป็นพูดเป็นหรือสื่อสารเป็นและทำเป็นหรือรวมทั้งผลิตเป็นในแง่ต่อไปนี้การดำเนินชีวิตของคนเราถ้าวิเคราะห์ออกไปจะเห็นว่า เต็มไปด้วยเรื่องของการรับรู้และสวยรสของสิ่งรู้หรือสิ่งราวต่างๆที่เรียกรวมๆว่าอารมณ์ทั้งหลายซึ่งผ่านเข้ามาหรือปรากฏทางอัญตนาทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้สิ่งต้องกายและรู้อารมณ์ในใจหรือดูฟังดมชิมหรือลิ้มถูกต้องหรือสัมผัส ะคิดท่าทีละปฏิกิริยาของบุคคลในการรับรู้อารมณ์เหล่านี้มีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจและวิถีชีวิตหรือชะตากรรมของเขาถ้าเขารับรู้ทิาทีของความยินดียินร้ายหรือชอบชังวงจรของปัญหาก็จะตั้งต้นแต่ถ้าเขารับรู้ทิาทีแบบบันทึกข้อมูลและเห็นตามเป็นจริง หรือมองตามเหตุปัจจัยก็จะนําไปสู่ปัญญาและการแก้ปัญหานอกจากท่าทีและปฏิกิริยาในการรับรู้แล้วสิ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่านั้นก็คือการเลือกรับรู้อารมณ์หรือเลือกอารมณ์ที่จะรับรู้เช่นเลือกดูเลือกฟังสิ่งที่สนองความอยากหรือเลือกดูเลือกฟังสิ่งที่สนองปัญญาส่งเสริมคุณภาพชีวิต เมื่อมองในแง่นี้การดาเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีจึงหมายถึงการรู้จักรับรู้หรือรับรู้เป็นได้แก่รู้จักเลือกดูรู้จักเลือกฟังรู้จักเลือกดมรู้จักเลือกลิ้มรู้จักเลือกสัมผัสรู้จักเลือกคิดเรียกง่ายๆว่าดูเป็นฟังเป็นดมเป็นชิมเป็นสัมผัสเป็นและคิดเป็น ยังมีแง่ที่จะมองได้ต่อไปอีกการดาเนินชีวิตของมนุษย์นั้นในความหมายอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเพื่อถือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจะเห็นชัดว่าสำหรับคนทั่วไปส่วนใหญ่การดาเนินชีวิตจะมีความหมายเด่นในแง่นี้คือการที่จะได้เศษหรือบริโภคคนทั่วไปส่วนมาก เมื่อจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็ตามทางวัตถุ ก, ก็ตามกมุงที่จะได้จะเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากบุคคลหรือสิ่งเหล่านั้นเพื่อสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของตนพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อต้องการสนองความประสงค์หรือความปรารถนาของตนจึงเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งทั้งหลายอย่างนั้นๆ น, น แม้แต่ ก, การดำเนินชีวิตในความหมายของการรับรู้ในข้อก่อนนี้ว่าที่จริงก็แบ่งเป็นสองด้านคือด้านรับรู้เช่นเห็นได้ยินเป็นต้นกับด้านเสพเช่นดูฟังเป็นต้นความหมายด้านที่สองคือการเสพที่ให้ดูเป็นฟังเป็นเป็นต้นก็มีในยะที่รวมอยู่ในความหมายข้อนี้ด้วย การปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสพหรือบริโภคนี้เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งวิถีชีวิตและทุกสุขของมนุษย์ดังนั้นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีก็คือการรู้จักเสพรู้จักบริโภคถ้าเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคมก็หมายถึงการรู้จักคบหารู้จักเสวนา ถ้าเป็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางวัตถุก็หมายถึงการรู้จักกินรู้จักใช้เรียกง่ายๆว่ากินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาเป็นคบคนเป็นจะเห็นว่าการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้ผลดีนั้นรอบคลุมถึงการปฏิบัติถูกต้องที่เป็นส่วนย่อยของการดําเนินชีวิตนั้น มากมายหลายแง่หลายด้านด้วยกันกล่าวโดยสรุปคือในแง่ของการล่วงพ้นปัญหาได้แก่แก้ปัญหาเป็นในแง่ของการทำกรรมได้แก่คิดเป็นพูดเป็นสื่อสารเป็นทาเป็นในแง่ของการรับรู้ได้แก่ดูเป็นฟังเป็นดมเป็นลิ้มเป็นสัมผัสเป็นคิดเป็น ในแง่ของการเสพหรือบริโภคได้แก่กินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นเสวนาหรือคบหาเป็นการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆที่เป็นส่วนย่อยของการดาเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้รวมเรียกว่าการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือการรู้จักดาเนินชีวิตพูดให้สอดคล้องกับถ้อยคําที่ใ้ข้างต้นว่า ดำเนินชีวิตเป็นและชีวิตที่ดําเนินอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ดีงามตามนัยยะแห่งพุทธธรรมบรรดาการปฏิบัติถูกต้องในแง่ด้านต่างๆเหล่านี้อาจพูดรวบรัดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นองค์ประกอบที่สําคัญยิ่งของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งนี้ด้วยเหตุผลมากมายหลายประการเช่น ในแง่ของการรับรู้ความคิดเป็นจุดศูนย์รวมที่ข่าวสารข้อมูลทั้งหมดไหลมาชุมนุมเป็นที่วินิจฉัยและนำข่าวสารข้อมูลเหล่านั้นไปปรุงแต่งสร้างสรรและใช้การต่างๆในแง่ของกรรมคือในแง่ของระบบการกระทาความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแสดงออกทางกายและวาจาที่เรียกว่า การพูดและการกระทําและเป็นศูนย์บัญชาการซึ่งกําหนดหรือสั่งบังคับให้พูดจาและให้ทําการไปตามที่คิดหมายในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั้งสองนั้นความคิดเป็นศูนย์กลางโดยเป็นจุดประสานเชื่อมต่อระหว่างระบบการรับรู้กับระบบการทํากรรมกล่าวคือ เมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายตนาต่างๆและเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารมาคิดปรุงแต่งแล้วก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดงออกเป็นการกระทําทางกายหรือวาจาคือพูดจาและเคลื่อนไหวทําการต่างๆต่อไปพูดรวมๆได้ว่าการคิดถูกต้องรู้จักคิดหรือคิดเป็น เป็นศูนย์กลางที่บริหารการดาเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมดเพราะเป็นหัวหน้าที่ชี้นานำทางและควบคุมการปฏิบัติถูกต้องในแง่อื่นๆทั้งหมดเมื่อคิดเป็นแล้วก็ช่วยให้พูดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นช่วยให้ดูเป็นฟังเป็นกินเป็นใช้เป็นบริโภคเป็นและคบหาเสวนาเป็นตลอดไปทุกอย่าง คือดำเนินชีวิตเป็นนั่นเองจึงพูดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นตัวนำที่ชักพาหรือเปิดช่องไปสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมดลักษณะ ส, สำคัญที่เป็นตัวตัดสินคุณภาพของการรู้จักธรรมหรือทาเป็นก็คือความพอดี และในกรณีทั่วไปคําว่ารู้จักคําว่าเป็นกับคําว่าพอดีก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันการรู้จักทำหรือทําอะไรเป็นก็คือทําสิ่งนั้นๆพอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลสําเร็จที่ต้องการตามวัตถุประสงค์หรือทําแม่นยําสอดคล้องตรงจุดตรงเป้าที่จะให้บรรลุจุดหมายอย่างดีที่สุด โดยไม่เกิดผลเสียหายหรือข้อบุพร่องใดๆเลยพุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไร้โทษไร้ทุกข์และเหมาะเจาะที่จะให้ถึงจุดหมายนี้เป็นสำคัญจึงใช้คำว่าพอดีเป็นคำหลักดังนั้นสำหรับคำว่าดาเนินชีวิตเป็นจึงใช้คำว่าดาเนินชีวิตพอดี คือดำเนินชีวิตพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมายแห่งการเป็นอยู่อย่างไร้โทษไร้ทุกข์มีความสุขที่แท้จริงการดำเนินชีวิตพอดีหรือการปฏิบัติพอดีเรียกเป็นคํัสท์ว่ามัชิมาปฏิปทาซึ่งมีความหมายเป็นอันเดียวกันกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามกล่าวคือมัชหรืออริยมัชที่แปลสืบกันมาว่า มักคาอันประเสริฐคือทางดำเนินชีวิตที่ดีงามลำเลิศปราศจากพิษภัยไร้โทษนำสู่เกษมสารและความสุขที่สมบูรณ์พุทธธรรมแสดงหลักการว่าการที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องหรือมีชีวิตที่ดีงามได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนพัฒนาตนซึ่งได้แก่กระบวนการที่เรียกว่าการศึกษา พูดอย่างสั้นที่สุดว่ามักจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยสิกขาการคิดถูกต้องรู้จักคิดหรือคิดเป็นเป็นตัวนําของชีวิตที่ดีงามหรือมักฉันใดการฝึกฝนพัฒนาความคิดที่ถูกต้องให้รู้จักคิดหรือคิดเป็นก็เป็นตัวนําของการศึกษาหรือสิกขาฉันนั้น ในกระบวนการฝึกฝนพัฒนาตนคือการศึกษาเพื่อให้มีชีวิตที่ดีงามนั้นการฝึกฝนความรู้จักคิดหรือคิดเป็นซึ่งเป็นตัวนำจะเป็นปัจจัยชักพาไปสู่ความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นตลอดจนความเชื่อถือถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นแกนนำของชีวิตที่ดีงามทั้งหมดการพัฒนาสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแกนนำในกระบวนการของการศึกษานั้นก็คือสาระสำคัญของการพัฒนาปัญญาที่เป็นแกนกลางของกระบวนการพัฒนาคนที่เรียกว่าการศึกษานั่นเองการรู้จักคิดหรือคิดเป็นนั้นประกอบด้วยวิธีคิดต่างๆหลายอย่างการฝึกฝนพัฒนาความรู้จักคิดหรือคิดเป็นก็คือการฝึกฝนพัฒนาตน หรือการฝึกฝนพัฒนาบุคคลตามแนวทางของวิธีคิดเหล่านั้นหรือเช่นนั้น